ให้ฟอนให้ฟอิยะถาวันว่หาปูเรตุปุเรนที่สากลังเกวะเมวะอิโตทินนางเปตานางุปกับปัตสอิชิตังปัิตังตุมหงส์พเมวะสมิชาโตซาเพปูเรนโตสังกปะจันโท ปัญโหรโสยถามันโชติรโสยถาสภิติโยยิวัจนทุสัพพโลกโวินัสตุมาเตหวตมันตรายโยสุขีท ah ีฆายโกวาภพิวัตนาสีนิชนิจัง oh ุทาปชาญโน จตารธรรมวทานติอายุโนสุขังะรังโอวตุสัพพังคังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานวาเวนะสัพพธรรมานวาเวนะสัพพสังขานวาเวนะสัสทิ อาวันจุทิตาครับที่เคยขอเมตตา <c oughs> เด็กหญิง <c oughs> ที่ที่เคยขอเมตตาหลวงตาเด็กหญิงกัญญาพร คนยศ อ, อายุหกขวบวันนี้เขาเนี่ยวันนี้ครเขานี้เข้ามาด้วยตัวเองที่ว่าตกลงมาจากชั้นสองนะ่ะแล้วสมองก็ไไม่หตกบ้านชั้นสองแล้วสมองก็ทุกขระเทือนแต่ตอนนี้ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็นเนี่ยวันนี้เลยมาทําบุญมีเพียแค่นครับมีครับเนี่ยแล้วถูกอัตราจ่ายห้ารอยบาทครับ จ่าเรียนครับอะไรมิเตอร์แฟงเขงฟูรี่และเบนจามินเขงฟูรี่จากประเทศออสเรสตรเลียถวายลวงตาด้วยปัจจัย 42,300 บาทครับ มีเงน 2,300 บาทจากประเทศออสเตรเลีย อ, อูชาธาตุขันหูตาแล้วอันนี้มีร้านจอมทองจังหวัดบุรีลำ น, น้อมสร้างโรงพยาบาล 2,000 บาทที่เป็นยานกุศลมีครับแยกไว้เรียบร้อยแล้วครับอื อ, อนน <c oughs> ว่าสติเกียไตลสูงทำบุญ 2,000 บาทที่ชนะพอดีเกียรติสูง สาวนภ์เพียงไก่สุกครับเฮ้ผ<ห>ู้ว่าสันติครับทิยพย์ให้ภรรยากับลูกสาวครับทำมูล 2,000 บาทสร้างโรงพยาบาลสันติเกียงไก่สุกทิศให้ภรรยากับลูกสาวอันนี้ก็ทาบูล 2,000 บาทสร้างตึกอุทิศย์ให้เจ้ากรรมนายเวรครับอันนี้ 2,000 บาทสร้างโรงพยาบาลุทิศให้ใจนายคำสิงห์ทองหนองค อ, อยอะไนี่ครับ เกิดเหรว ว, วันเกิดครับเด็กหญิงชนชดาเหรอรดาอายุวหญิงชดาอายุขวทวันเกิดอะไร 1, บาทครับวันเกิดตาลัาลีอคนเหนือเกิดเหรอีกวันเกิดครับดาลาลัต อายุ15ปีอายุ15ปีทำบุญ 1,000 บาทวันเกิดเหมือนกันโ <c oughs> หเยอะ่าน้ำปลาน้ 11,444 บาทต่างโรงพยาบาล 2,324 บาทยีโคราชรวมๆแยกไว้องกองเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> มาอยูับ้านปั้นเนื้อปั้นเนื้อละมาทาสีอครับขอคอรับครับคบอว่าคือว่าลงจาที่บ้านอบุน่นครับครับ ต้ทองคำเคบาททองคบาทครับนายธนกิจกับนางเวลาวลาัลย์พร pues ้อมครอบครัวจะไหทองคำสบาทครับทองคตลึงครับองคำสองตลึงครับ การหลวงตาตึกโรงพยาบาลกิดชั้นที่หลวงตาเมตตาอืครับผมสร้างเสร็จแล้วกําลังสร้างเสร็จตัวตึกเรียบร้อยแล้วตงแต่งห้องภายในแต่ก็ติดลิฟต์เรื่องตึกตึกชั้นเี่ตาเมตตาที่โรงพยาบาลอุดรธานีครับออตึกสิบชั้นครับโรงพยาบาลอุดรธานีครับ ลบทั้งหมดอ่ะหารอยล้านบาททั้งตัวตึกทั้งเครื่องเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หลวงตาตั้งงบประมาณไว้ห้าร้อยล้านบาทวันนี้ได้แล้วสี่รอยี่สิบล้านแปดแสนสี่พันหร้อยหกสิบสี่บาทครับผมทองคำหลวงตาก็ได้เพิ่มครับฮะทองคำเป็นติดสองกันสองรอยเจ็ดิห้ากิโก ร, รัมครับเก่าขัางหลวงครับออดอลลาร์ิล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยดอลลาร์เก้าขัางหลวงครับ เรื่องนเงียครับกาเนียึก10 <ร>ชันเนี่ยเรยอนะงงินฮะอเติก10ชั้นย2 0สล้านเออเออตึกโรงงานผมก็ตึกสูงอ่าพายครับหลมสิ้นช้นะครับผมห้าล้านครับ เราก็พอใจเาี่ช่วยาตามก็ยังกาบอยู่แบของเรามให้ออกนอกมัดเลยออกันไโดยเไม่สังสมไม่เจ็บอะไรออกออกออกมเรา่ สงอาพาธส<ะ>ิบชั้นตึกสงอาพาธสิชั้นทีหลวงตาเมตตาไปนั่นแหละโอ้เงกนใชเนี่ยครับองชั้นครับผมออเชั้นนะตึกชั้นอนนัก็อนนกันจะเป็นเไเรีย น, น้ะเะนะครับครับอืม เให้ฟ อ, อ, อยสุดยอดเรียกฟอยริงมาพอถึงนี่นะนนตนั้งที่ไหนกล่อตั้งเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาอยู่ที่หลงใจใจกับคำไปเดียวกันเรียก ว, ว่ารรมาาตนสุดยอ ความงามทั้งหมดมามาลงในธรรมาติเอ่อสอันนี้ครับมาจากจังหวัดยโสธรมาจากจังหวัดยโสธรถวายทองคำหบาทปักใจ 2,000 บาท แล้วก็พอใจพอใจพอใจอต่มัมวราไปไหนนะวะแต่วัดป่าตุธาวาดครับผมวันป<ะ>่าตุธาวาดครับผมแล้วกตุธาวาดครับ <c oughs> น่พอ่ให้พนเนาะมดทุระแล้วให้ให้พออิจิตปฏิตังลุมหางเ่าแม่วาสมมชโตสแหผูเรตสังกภาพจันโสรบรรลุโสรยะถาไมโสติระโสยถาสัพพิติโย พิว่าชันตุสับปะรดก่ีนัดสตูวาเทีววัดตันัรายโยตีที่ข้ายก่อหวแต่พยว่าทรายเสียงสานสุยผายบัจจายนุพัฒ์โรทามาว่าทันทีอายุวนโน้ตุพันหร ตาเจ้าพระหมูเนี่ยก็บ้านขอปูชาปูหลงตาเอขอให้หลงตาทีสมกัาติแข็งแรงแข็งแรงกัค่ะขอหลงทาเนีตาดำรงสทธลี้ยงลดีดวยาพระแข็งแงัน ทองคำได้หกบาสิตานะครับจริงิงออคครับผมกกูสิครับเร็วจังเร็วจังเร็วจังเหรอ ถาวายสองหมบาทครับมมมมมไม่เห็นในความเ ด, <c oughs> ดชาหักโยดมครับเดชาหักโยดมครับเดเดชาหักโยดมครับหักโยดมครับเดชาหักโยดม ไปแล้วไป